ถามว่าปัญญาวิชาญาณสามอย่างนี้เหมือนกันหรือต่างกันขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าต่างกันถ้าจัดตามอริยสัจปัญญานั้นเป็นมรควิชานั้นเป็นนิโรธส่วนญาณนั้นเป็นได้ทั้งสองอย่าง คือวิปัสนาญาณนิพพิทายา น, น, ายานเช่นนี้เป็นมักปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูป ป, ปาต า, า, ายานอาสวะขยะญาณสามอย่างนี้เป็นนิโรธแม้ญาณอื่นๆที่เป็นมักก็เป็นปัญญาส่วนที่เป็นผลก็เป็นวิชาหรือนิโรธ ผู้ถามกล่าวว่าแต่เดิมข้าพเจ้าเข้าใจว่ายานนั้นเป็นปัญญาได้อย่างเดียวไม่เข้าใจว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างตอบว่าที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้อธิบายไปตามที่ท่านสงเคราะห์ไว้ในแบบผู้ถามกล่าวว่าไม่ควรปรารถนาการมารมที่ดีๆทั้งหลายในโลกซึ่งเป็นสามีสุข ความสุขทางกายที่เกิดจากวัตถุภายนอกหรือที่เรียกว่ากามาสุขเพราะใจที่เข้าไปยินดีในกามนั้นมีใจความสำราญอะไรมีแต่ความหมกมุ่นขุนหมองตลอดเวลาไปจนกว่าจะตายแม้จะสแสวงหามาได้ก็ปกครองเอาไว้ไม่ได้เพราะการมารมเหล่านั้นเป็นสังขารไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาและเป็นทุกข์เหลือทน ทนอยู่ไม่ได้จะต้องแตกดับไปเป็นแน่แท้เมื่อมาประพฤติปฏิบัติละเอียดเข้าจึงรู้สึกได้ว่าสามีสุขทั้งหลายห่างไกลกับนิรามิสุขนักนิรามิสุขความสุขที่ไม่ยิงอาศัยวัตถุภายนอกเรียกว่าความสุขทางใจมีตั้งแต่ขั้นต่ำเช่นไม่มีความวิตกกังวล ขั้นกลางเช่นการมีจิตใจที่สงบและขั้นสูงสุดคือนิพพานผู้ต่อกล่าวว่าผู้ที่หวังสามิสุขนั้นไม่ใช่จะสำเร็จแก่ผู้หวังทั่วไปได้เพราะสามิสุขทั้งหลายเป็นส่วนของกุศลละวิบากเกิดสำหรับผู้มีบุญส่วนผู้ที่ไม่มีบุญ แม้จะหวังก็ไม่สมประสงค์ถ้าปรารถนากันได้ตามชอบใจแล้วก็คงจะไม่มีคนจนคนลำบากอารมณ์ทั้งหลายในโลกทั้งดีและที่ไม่ดีเหล่านั้นล้วนเป็นสังขารส่วนผู้ที่ชอบอารมณ์ที่ดีไม่ชอบที่ไม่ดีบุคคลนั้นก็เป็นสังขารสังขารคือเป็นสิ่งปรุงแต่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอารมณ์ทั้งหลายในโลกทั้งดีและที่ไม่ดีเหล่านั้นล้วนเป็นสังขารส่วนผู้ที่ชอบอารมณ์ที่ดีไม่ชอบที่ไม่ดีบุคคล น, นั้นก็เป็นสังขารสังขารกับสังขารจะพึ่งกันอย่างไรได้เพราะฉะนั้นผู้ที่วุ่นอยู่กับสังขารจึงเป็นผู้หลงเพราะม่รู้ความจริง นิรามิตุก็ยังดีเพราะเป็นความเย็นส่วนสามิตสุขนั้นเป็นความร้อนผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วจึงละอามิตรในโลกเสียนิรามิ ท, ทุกคือทุกข์ไม่อิงอาม i t h หมายถึงทุกข์ั้นต้นของบุคคลผู้พยายามเปลืองตนให้หลุดพ้นจากเหยื่อล่อทั้งปวง เป็นทุกข์ที่เกิดจากความเพียรเพื่อห้ามจิตไม่ให้ภาวะผวงถึงกรรมคุณและอาสวะกิเลส